นีคืิสถานีวิทยุสทอร์เอฟเในช่วงของการฟังธรรมะที่ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบให้ข้อมูลกับท่านบวงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเช้าๆช้าหรือว่าเวลาไหนก็าตามที่ท่านบวช ฟ, ฟังธรรมะนั้นเป็นเวลาดีเป็นเวลาที่จิตใจของเรานั้นจะมีสิ่งที่ จะนํามาเพื่อความสุขความสงบอยู่ในใจของเราได้ซึ่งรูปแบบของการนําเสนอธรรมะธรรมะวังแต่ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่คือรูปแบบของการนําเสนอจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าภาษา แ, แน่นอนสมัยนั้นพระพุชธาก็ไม่ได้พูดภาษาไทยพูดภาษาอื่นแต่เป็นภาษามคตที่มีการลงอักษรเขาก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีขึ้นมา ส่วนเรามาแปลพูดกันเป็นภาษาไทยในกรรูปแบบการนําเสนอก็เปลี่ยนแปลงไปในสมัยนี้มีเทคโนโลยีมีหมู่คนผู้คนมากขึ้นแต่าการสื่อสารมันก็ไปทางอินเทอร์เน็ตบ้างไปทางวิทยุบ้างมีการพิมพ์เป็นหนังสือได้หลายก๊อปปี้มากขึ้นหลังจากสมัยก่อนนี่ก็ต้องพูดแล้วก็จำเอาจํากันแล้วก็บอกต่อหรือว่ามีลักษณะการลงอักษรชนิดที่เรียกว่าจะต้องทําทีละก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ไป ซึ่งรูปแบบของการนําเสนอหนังเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนแต่ว่าตัวธรรมะเองในมาฟังจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาเลยนะคําว่าไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยที่นี้ก็คือท่านบูฟังโกงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครัที่เขาใช้เรียกรณ์ก็คืออากาลิโกนั่นคือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไม่ประกอบด้วยการเวลามันจะเดินหน้าถอยหลังทันสมัยลา้าสมัยเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตาม และนี่คือความจริงตลอดการแต่ความจริงว่าเออถ้าเรามีภาษะเราก็จะต้องมีความรู้สึกแในภาษานี่หมายถึงการกระทบการกระทบทางตาบ้างทางหูบ้างมีการกระทบทางตาทางหูอาจจะมีความรู้สึกที่พอใจบ้างเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนี้ไม่ว่าจะมีเวลาไหนอนดีตอนาะคตปัจจุบันมันก็จะเป็นอย่างนี้และนี่คือลักษณะที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยกการเวลา แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานี่คือลักษณะการนําเสนอในบรนการในราการของเราต้องฟังแต่เราก็มีรูปแบบของการนําเสนอในที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะปรับให้เหมาะสมในการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งในยิ่งยิ่งขึ้นไปในซึ่งตัวข้าพเจ้าเองะจะมาที่มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็าจะมาพูดคุยในเรื่องของธรรมะภาคปฏิบัติแในที่เป็นการปฏิบัติในรูปแบบก็ตาม หรือว่าเป็นการนําธรรมะที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ตามนในช่วงของวันจันทร์เราเปิดเริ่มต้นสัปดาห์กันมาโดยการนำธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยการปฏิบัติอาจจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าการปฏิบัติที่จะเป็นในชีวิตประจําวันนี่คือหมายความว่าเราเอาไปใช้งานในในการเป็นอยู่ของเราเลยอย่างนี้ก็มีนี่คือในช่วงของวันจันทร์ส่วนวัานกลางการแล้วก็วันพุธแต่เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าจะนำพระสูตร มาอา่านให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างสั้นๆในในช่วงเวลาประมาณสัก30นาทีที่เราพบกันนี่อาจจะเป็นเนื้อหาประสูตร ต, ตรงนั้นตรงนี้ในในลักษณะปภาษาไทยคู่กันไปกับภาษาอังกฤษนั่นก็คือเป็นระบบ2ภาษาอ่านเป็นภาษาไทยย่อหน้าหนึ่งแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกย่อหน้าหนึ่งอ่านเป็นภาษาไทยอีกย่อหน้าที่2องกแปลเป็นภาษาอังกฤษในย่อนหน้าที่2อย่างนี้ไล่กันไปไล่กันไปในเกินในช่วงของวันอังคารและววันพุธ ในที่ต้องเผื่อไว้สองวันนั้นประว่าบางประสูตรบางเรื่องบางรา บ, บางตอนเนี่ยมันมีความยาวอธิบายในช่วงเวลาสามสินาทีมันไม่จบมันไม่พอพนอกจากจะต้องอ่านประสูตรให้ฟังแล้วก็ยังต้องมีการอธิบายด้วยแต่ซึ่งถ้าท่านบูฟังได้ฟังในช่วงที่ผ่านมาในช่วง 2- อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้ทําในประสูตรสภาษามาอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายเนี่ยอยู่ในช่วงของท้ายสัปดาห์แต่ว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เราจะเปลี่ยนมาเป็นวันอังคารแล้วก็วันพุธส่วนในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั้นก็จะมีคุณสรนสนีนาคพงมาพูดคุยในเรื่องราวต่างๆอาจจะสรุปเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าท่านบุฟังมีคําถามต่้งแต่ต้นสัปดาห์ที่สัปดาห์ก่อนๆมีเรื่องราวที่สงสัยจะถามอะไรต่างๆส่งมาเราก็จะมาคุยกันในช่วงท้ายสัปดาห์คือในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ อาจจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันในบางเรื่องบางราวอาจจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างอาจจะพูดคุยตอบถามคำถามที่ทางฝังส่งมาบ้างแต่ก็คุณสันสนีนาคพงศ์ในช่วงของวันพระอาแล้วก็วันศุกร์แต่ประเด็ น, นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะเราก็จะลองในรูปแบบใหม่คือวันจันทร์เราก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะในการปฏิบัติในรูปแบบก็ตามหรือว่าไม่ใช่ในรูปแบบก็ตามอันนี้คือส่วนของวันจันทร์วันอังคารแล้ววันพุธ เป็นเรื่องของการให้ฟังพระสูตรแล้วก็มีคําอธิบายด้วยพระสูตรนั้นก็พิเศษตรงที่ว่าเป็นพระสูตรสองภาษาและเรื่องรายละเอียดของภาษาไหนใครเป็นคนแปลกประป้าเจ้าจะมาให้รายละเอียดในช่วงของวันอังคารแล้วก็วันพุธแต่พระสูตรที่เลือกมานั้นก็อาจจะเป็นคาโอปมาโอไม้บ้างเป็นเรื่องราวที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนั่พอเข้าใจได้จบในตอนมีคําอธิบายสามารถที่จะเห็นภาพได้ ทีกในช่วงของวันสงการแล้วกัดพุธพระราชสุขนั้นก็เป็นการคุยกับคุณสันสนีนักพงศ์เพราะฉะนั้นในรูปแบบที่ท่านผู้ฟังกําลังจะได้รับฟังตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะบอกว่าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าก็คิดเห็นอย่างไรคําถามใดๆต่างๆที่จะต้องการติดต่อสื่อสารกับทางรายการนั้นก็สามารถส่งมาได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปเสนอบัตติโดยส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซ ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์แล้วก็สามารถไปได้ที่เว็บไซต์ purethamma.com p u r e d h a m m a c o m และในรายการรูปแบบใหม่นี้ท่านผู้ฟังแล้ก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังนนในทางที่เว็บไซต์นี้ได้ที่ p i r e t h a m m a c o m เราก็มีทีมงานที่จะคอยจัด ในตอนต่างๆของรายการทางสถานีวิวทยุสจรให้เป็รอบครัวข่าวแห่งนีนะ้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังย้อนหลังได้บางเรื่องบางตอนมีความสนใจอาจจะศึกษาเพิ่มเติ ม, ตมแล้วก็มาที่เว็บไซต์เ <PE> พียวธรรม .com บางเรื่องบางตอนมีความสงสัยที่ต้องการถามคําถามสิ่งตอบต่างๆได้ไดแด้วก็มาที่เว็บไซต์เ <PE> พียวธรร .com ได้เพราะเด็นวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เรามีนั่นหมายกันในการที่จะนำธรรมะไปใช้งานได้อย่างไร แต่จริงๆเรื่องของธรรมะธรรมฝังนั่นแหลสมัยก่อนตอนที่พระเจ้าสอนคําสอนต่างๆเหล่านี้อยู่พูดง่ายๆก็คือประกาศศาสนาอยู่เนี่ยไม่ได้มีการจดบันทึกลง อ, อ, กอลักษรหรือรูปแบบการเรียนการสอนในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเอาใครพอใจศึกษาเรื่องใดๆก็ไปอยู่ในสํานักของครูบาอาจารย์ที่มีความชนานาญเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็คือไม่ได้เป็นในสมัยปัจจุบันที่ว่า ทุกคนต้องมีการศึกษาแบบบัาบางคับเดียวเรียน6ปีตรงนี้ไปเรียนต่อปอีกหปีตรงนั้นเดี๋ยจบมหกจบมหกใครอยากจะเรียนสายอาชีพก็ไปใครอยากจะเรียนส า, ายอะไรก็ไปแต่แยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนที่เป็นระบบในะระบบที่เป็นการศึกษาแบบบัาบางคับเป็นอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยออจะว่าไม่เป็นระบบก็ทำไม่ได้ก็คือความรู้ความเรียนในธรรมะก็เป็นระบบแหละนะ แต่ว่าเขาจไม่ได้มีระบบในลักษณะที่ต้องบังคับคุณให้คุณเรียนตรงนั้นเต่านี้ปีตรงนี้เท่านั้นปีแตใครไปอยู่ในสนาครูบาอาจารย์ในสายใดๆคุณเล่าเรียนมาเรียนมาคุณทําได้คุณก็จบไปได้นักเรียนแต่ละคนก็อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าแต่ซึ่งในการเรียนสมัยนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็ใจคํานี้ว่าสิกขาสิกขาเนี่ยหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นมากการว่ายน้ำอย่างนี้เป็นตนัวเต็มหวังแต่เราไม่สามารถที่จะว่ายน้ำเป็นได้เลยโดยการแค่อ่านหนังสือหรือว่าด้วยการที่แค่ดูคนนั้นเขาเออคนนี้เขว่ายน้ำอย่างนี้ฮะหรือแม้การขับจักรยานก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไปหาหนังสือที่สอนวิ ธ, ธีการขับจักรยานมาอ่านแล้วก็ดูคนนั้นเขาทาแต่ถ้าตัวเราไม่ทําเองัคือตัวเราไม่ได้เข้าไปขี่บนจักรยานเองครอบจักรยานแล้วก็พยายาม ปานมันไปด้วยท่าของเราเองหรือว่าไม่กระโดดลงน้ําตูม้มแล้วพยายามจะว่ายด้วยมือและท่าของเราเองเนี่ยเราจะไม่มีทางว่ายน้ําเป็นเราจะไม่มีทางขับจักรยานเป็นได้เลยเพียงแค่ดูเขาเพียงแค่ได้ยินเขาทำแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่ไปหาหนังสือมาอ่านไม่รู้มันมีรูปแบอาด้วยซ้ำแต่บรนรูปแบบการการศึกษาในการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเป็นให้มันดีให้มันได้เนี่ยจึงต้องลงมือทําทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะว่า มันไม่เหมือนกับการที่ขับจักรยานหรือการว่ายน้ำซึ่งการขับจักรยานหรือการว่ายน้ำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราแบบจับต้องได้เราต้องลงมือทํามีผลผลิตออกมามีระยะทานที่คุณก้าวหน้าไปข้างหน้าได้มีสกิลมีทักษะที่คุณจะต้องฝึกในการที่จะทําตรงนั้นให้มันได้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้จับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมวัดได้แต่ว่าเรื่องของการแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยใ น, นการที่คุณปฏิบัติเลย นะคุณเรียนรู้ข้อมูลแล้วเอามาทําเลยเนี่ยเหมือนี่มันบอกได้ยากเอาอย่างง่ายๆที่พอๆจะจะดูได้บอกได้อย่างเช่นเรื่องของสีอย่างงี้ไปตน้นเรื่องของสีนี่เราพอๆพอจะบอกได้ดูได้แต่เพราะมันยังเกี่ยวข้องด้วยทางกายด้วยทางวาจาอยู่ใช่ไหมเช่นว่าอทำให้ฆ่าสัตว์แต่เป็นการจัดการฆ่าสัตว์เป็นการจาัดการส่วนที่เราดูได้เห็นได้ได้ยินได้มันก็จะมีอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่ง ที่ถ้าเราไม่มีเครื่องรู้พิเศษเราก็จะรู้ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นไม่ได้ก็คือเจตนาของผู้ดําน่เมื่อที่เราหยิบของชิ้นในชิ้นหนึ่งออกจากโต๊ะของเพื่อนไปแต่ถ้าคนที่มีเจตนาในการที่จะขโมยในการที่จะลักกิริยาอาการในการที่เขาจะหยิบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากโต๊ะของเพื่อนไปเนี่ยนั่นคือการขโมยนั่นก็จะผิดศีลข้อ2ละ่ะผิดศีลข้อในการที่จะลักศัพท์แต่ว่าถ้าเราหยิบออกไป โดยเจตนาว่าเออใจหยิบไปให้เพื่อนหรือเพื่อนอยู่ตรงนั้นขอยืมดูหรือว่าหยิบไปในการที่บะเออเคลียโต้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะาำความสะอาดในการหยิบไปตรงนั้นมันก็ไม่ได้ผิดศีลเพราะมันจะมีองค์ประกอบเรื่องของเจตนาด้วยองค์ประกอบที่อยู่ในใจนะเป็นเรื่องของจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยซึ่งบางทีมันมันไม่ได้สามารถที่จะดูแล้ววัดได้ด้วยเพียงการการะทําที่เราเห็นได้ทางตาที่เราได้ยินได้ทางหูเดี๋ยวไม่ต้องอาศัย เจตนาที่อยู่ข้างในแต่ตรงนี้จึงเป็นข้อมูลที่ที่ทําให้บงคลคิดว่าเอาอย่เรื่องการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นแต่ฉันนังสือสมาธิเล่มใดเล่มหนึ่งเขาก็อธิบายชานหนึเป็นอย่างนี้ฌานสองเป็นอย่างนี้เออฉันนั่งหลับตาลงดูลมหายใจสัก3ามครั้งอ๋อได้ฌานหนึแล้วมอาจจะเป็นไม่ได้นะเราก็คิดเอาไปอย่างนั้นแต่ซึ่งไอ้ความคิดและไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่อย่างกรคิดว่าเราจะปั่นจักรยานท่านี้ เราคือว่าเราจะเหยียบไปทางนี้เราจะตะ ก, กุยมือไปทางนี้ในการว่ายน้ำแต่คิดเอาแต่มือไม่ขยับนะขาไม่ขยับเนี่ยมันจะบอกว่าว่ายน้ําเป็นขับจากรยานเป็นมันไม่ได้เพียงแค่คิดเอามันก็จะไม่ใช่เดี๋ยวเป็นแค่คิดเอาเพียงแค่คุณได้ยินมาว่าอ๋อชาติหนึ่งเป็นอย่างนี้ช้างจางเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ได้ตรงนี้ท่านฟังทําให้เราเห็นความแตกต่างในแง่มุมของการปฏิบัติธรรมว่ามันลึกลงไปถึงจิต แต่มันไม่ใช่แค่ระดับความคิดหรือว่าระดับที่เราได้ยินระดับที่เราเห็นเน่ยมันก็อาตรงนั้นก็มีอยู่นีก็มีอยู่ด้วยแล้วที่ลึกลงไปอีกในเรื่องของจิตก็มีอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนท่านบุฟังจิตเนี่ยมันลึกกว่าความคิดเนี่นจิตต้องมาก่อนจิตต้องมีก่อ น, น, นถึงจะมีความคิดในลักษณะที่เป็นคําพูดอย่างเราพูดกันในเวลาที่ท่านบุฟังส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ เราจะต้องพิมพ์อ e ีเมลบ้างส่ง SMS ส่งข้อความชิดแชทกันเราก็จะต้องคิดเป็นคำพูดก่อนถูกไหมซึ่งในการคิดเป็นคำพูดคุณก็เขียนออกมาพิมพ์ออกมาส่งเป็นข้อความไปซึ่งกริยาตรงนี้ไม่ได้มีเสียงออกมาเลยนะแต่ว่าเป็นลำดับความคิดที่เป็นภาษาพูดอย่างนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลสื่อสารความคิดของตัวเองอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ในลักษณะภาษาพูดแต่ยังรวมถึงรูปภาพด้วย ศิลปินบางคนก็วาดรูปได้อย่างสวยงามสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้พันทางการเขียนรูปเขียนเป็นตัวการ์ตูนอะไรต่างๆเราก็เห็นกันซึ่งตรงนั้นก็เป็นความคิดจริงอยู่ดีแต่ยังไม่ใช่จิตการฝึกปฏิบัติจริงๆท่านฟังในเรื่องที่พระเจ้าสอนเรื่องของธรรมะนี่แหละจึงจะต้องเข้าไปสู่จิตใจของเราได้คราพเจ้าเนี่ยอธิบายตอนนี้เพื่อที่จะต้องการให้ท่านฟังได้เข้าใจถึงว่าการศึกษาเป็นความรู้หรือว่าเป็นความจํา ที่เราจําได้ที่เรารู้เราทบทวนได้เราท่องได้ปุณิยังเป็นความคิดอยู่ยังเป็นส่วนที่เรียกว่ายังอยู่ในสมองอยู่เนะ่ซึ่งมีอีกส่วนหนึ่งที่มันลึกลงไปกว่า น, นั้นถ้าเราเรียนรู้มีความรู้มีความสามารถในการท่องจําได้ด้วยดีแต่ถ้าธรรมะท่านยังไม่เข้าสู่ใจมันยังมีความห่างอยู่ยังมีความที่ยังไม่ตรงอยู่นะีมันห่างกันเท่าไหร่ก็ห่างกันประมาณจากหัวถึงหัวใจนี่แหละห่างกันแค่นี้ เพราะฉะเวลาที่เรารู้สีอย่างคุณจําได้ปาณาติปาตาเวรมานีเดี๋คุณจําได้คุณไปหาพระเขาบอกให้ท่องนี้สุราเมรยะมัชฌปัมพานานะอะไรก็ไม่รู้นี่แหละบางคนท่องได้บางคนก็ท่องไม่ได้ในการงดเว้นจากการดื่มสุราแล้วมีอะไรอันเป็นที่ตั้งของความประมาทจําได้เดี๋ยรู้ด้วยว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งรู้ทางเลี่ยงมากอาจจะทําในลักษณะที่ เออไม่ผิดตัวบทไม่ผิดข้อกฎหมายแต่ว่าเจตนามันจะกินอย่างเงี้ยมันก็คือยังไม่เข้าสู่ใจแต่บริเวณการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ที่ใจมันต้องน้อมไปแต่ใจจะน้อมไปในการที่จะให้ธรรมะจากหัวสมองที่เราจําได้เป็นความรู้แต่ซึ่งความรู้นั้นยังไม่ใช่เป็นปัญญาเนี่ยเนี่ยคือเมื่อไรก็ตามที่ ความรู้ที่อยู่ในสมองที่คุณจําได้ที่คุณต้องได้ที่คุณวิเคราะห์แจกแจงแยกเป็นประเด็นเป็นข้อหัวข้อบ้างรายละเอียด บ, บ้างต่างๆ่พวกนี้เรียกว่าเป็นความรู้นะความรู้นี้อาจจะยังไม่ใช่ปัญญาก็ได้จะเป็นปัญญาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่ใจของเราแต่คำว่าปัญญาในที่นี้คราพเจ้าหมายถึงปัญญาในการที่จะรู้ตามแตปัญญาในการที่จะทําให้เกิดความรู้ยิง่งพระเจ้าใช้คํานี้แต่ก็เรียกว่าความรู้ยิง่ง ความรู้อันยิ่งนี้คือไม่ใช่รู้ในสมองแต่ว่ารู้เข้าไปถึงใจอยนะ่เช่นว่าเรื่องของสัมมาวาจาธรรมงเป็นสิ่งที่เรารู้เราก็ท่องได้เช่นการที่ไม่กล่าวคำหยาบอย่างเงี้ยไม่กล่าววาจาที่จะทำให้แตกออกจากสมาธนะิไม่กล่าววาจาที่ทิ่มแทงนะเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะเป็นคำฟูใจเป็นคำรื่นเรองใจ แม้แต่ถา้ารถมันติดซะหน่อยแล้วทุกใครปาดหน้านี่ก็พ่นออกมาเหมือนกันนะวาจาพฤทวาดิมืนวาจาหยากอย่างนี้เหมืนหอนแต่ว่าบางทีคนเขาทาให้เรากโกรธคนใกล้ตัวเนี่ยไม่ต้องใครไกลๆหรอกเอากันใกล้ๆตัวลูกบ้างผัวบ้างเมียบ้างพ่อบ้างแม่บา้างแต่ใครสกักคนใดคนหนึ่งทำอะไรไม่ถูกใจกัดด่าละเน็บละหนาว่าละตะคอกละพูดไม่ดีใส่กันละแต่ก็รู้หรอกว่าสัมมาวาจามคืออะไรแต่บางอย่งทําไม่ได้ มันถึงเวลานั้นมันอาจจะลืมไปแต่เพราะนั้นเวลาที่เราจะฝึกในการที่จะทําทำเนี่ยไม่ใช่เอาไปท่องเอาแล้วจำได้นะแต่ว่าทําทางกายทําทางวาจาทําทางใจของเรานให้กายวาจาใจเนี่ยมันเป็นไปด้วยกันเป็นไปอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยแต่มันจึงต้องอาศัยทักษะในการฝึกทักษะในการที่จะทำยังไม่ต่างกันกับการขับจักรยานไม่ต่างกันกับการว่ายน้ําเลยทุ่มฝัง โอเคบางคนอาจจะมีความสามารถกระโดดลงน้ําตูมลงไปเนี่ยณมันแรกครั้งแรกเลยเออมันทําได้ดีฮะเหมือนคนที่ฝึกมา5ปี10ปีก็อาจจะเป็นได้แต่บางคนกระโดดคล่อมขึ้นจักรยานไปนับปันไปปึ๊บปึ๊๊บเออมันก็ทําท่าทางอะไรต่างได้เออมันเหมือนกลับมาเป็นหลายปีบางคนอาจจะมีพรสวรรค์วิธีการปฏิบัติอะไรที่เขามีความชํานาญมาก่อนแต่ซึ่งตรงนี้คือกําลังของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน กำลังในตรงนี้พระเจ้าก็อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าอินรียต่คือความแข็งแรงกําลังของจิตใจของคนนั้นในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสําเร็จในเรื่องนั้นๆัไปซึ่งแนะนำนนการที่เขามีกําลังมีพลังมีความสามารถตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เขาสั่งสมมาอาจะเป็นในเรื่องของในอดีตหรือว่าเป็นทักษะจากด้านอื่นๆอาจจะมาช่วยได้ในเรื่องของตรงนี้เช่นบางคนที่เก่งทางด้านภาษาอย่างเงี้ย ก็จะมีความสามารถเรื่องของการเขียนการพูดด้วยแต่เป็นทักษะที่ใกล้ๆเคียงกันหรือบางคนที่เก่งทางด้านการคำนวณเก่งทางด้านทางวิทยาศาสตร์แต่ก็จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการที่จะหาเหตุผลต่งางๆพวกนี้เขาก็จะเป็นเป็นลักษณะที่จะเกือ้อกูลกันสนับสนุนกันแต่เพราะฉะนั้นทักษะพวกนี้ต้องหวังมันจะต้องอาศัยการฝึก ซึ่งองค์ประกอบอันหนึ่งที่สําคัญในการที่เราบอกว่าเอาล่ะฉันจะเอาความรู้อยู่ในหัวสมองฉันเนี่ยมาเข้าสู่ใจของฉันฉันจะเอาสิ่งที่ฉันจําได้ในเรื่องของการไม่พูดคําหยาบคบําเพ้อเจ้อคำโกหกคำส่อเสียรหรือแม้แตรการดื่มสุราเนี่ยเอามาเข้าสู่ใจของฉันในการที่ฉันจะเอาไม่ดื่มเหล้าทุกค่าว่าก็ไม่ด่าตอบและมีความอดทนเอาไว้เวลาอยู่ว่างๆสบายใจสบายใจก็ไม่ได้คุยเล่นคุยเพอ้อเจอ้อ แต่ว่าเป็นผู้ที่นิ่งอย่างพระอริยเจ้าสบายใจอยู่ข้างในคนที่ทําอย่างนี้ได้แต่ฝังก็ต้องอาศัยการที่คุณจะต้องระลึกได้แล้วว่าโอ้ฉันจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะเอาละฉันจะทําสิ่งที่ดีนะไอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยฉันต้องตั้งสติคอยจอ่อคอยจดจ้องอยู่ว่าเอาไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งสติคอยจ่อคอยจดจ้องอยู่ว่าทําสิ่งที่ดีๆที่ตั้งใจว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ เราก็ตั้งใจในการที่ทำตรงนั้นมองคอยมองหาโอกาสในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีคอยมองหาโอกาสในการที่จะเพิ่มกระทำสิ่งที่ดีนอันนี้คือเรียกว่าสตินั่นเองแต่สติคือการลดเลิกได้ดำังเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นกําลังอย่างหนึ่งในของคนที่จะทําได้ทําดีทำธรรมะนี่ทำทำให้มันเกิดขึ้นในใจทํำธรรมะที่อยู่ในสมองให้มันเข้าสู่ใจเป็นผลออกมาเรื่องของกายเรื่องของวาจาแตเพราะว่า สิ่งที่คุมกายนมือของเราจะขยับข า, ขาของเราจะขยื่อนแล้วก็ใจเป็นคนคุมปากของเราจะขยับขึ้นขยับลงพ่นสิ่งใดใดออกมาเป็นคําดีก็ตามคาชั่วก็ตา่างก็ใจนี่แหละเป็นตัวกุมนไม่ใช่สมองบางคอาจะเถียงว่าไอ้เงี้ยสมองมันมีจิตที่ใต้สํานึกอะไรงต่างนั่นคือใจเต็มฝังคือจิตสำนึกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นใจนะเพราะว่าพระเจ้ า, าไม่ได้อธิบายในลักษณะแง่มุมเหมือนกับที่นักจิตวิทยาอธิบายแต่พระเจ้าอธิบายในเรื่องของจิตเต็มฝัง อธิบายในเรื่องของจิตว่าจิตหรือว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่จิตหรือว่าใจเนี่ยเป็นประธานแต่เป็นใญ่ในการที่จะคุมกายเป็นใหญ่ในการที่จะกุมวาจาและเป็นใหญ่ในการที่จะควบคุมความคิดแต่ประนั้นถ้าเราฝึกให้เรามีอํานาจเหนือจิตของเราโดยการแบบงอําจะตั้งสติขึ้นเอาไว้จะคิดเรื่องใดก็คิดเรื่องนั้นได้ไม่ต้องการคิดเรื่องใดก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นได้แต่ว่าใครเป็นคนที่จะ ให้ไปคิดหรือไม่ให้ไปคิดล่ะ จ, ละจิตนี่แหละทำฟังแต่จิตเนี่ยมันจึงจะเป็นตัวที่คอยสั่งการให้คิดให้ทําให้พูดแต่สั่งการในการที่จะไม่ให้คิดไม่ให้ทําไม่ให้พูดแต่ก็เรื่องของจิตสติทำฟังมันจะตั้งขึ้นมาก็ตั้งขึ้นที่จิตตรงนี้แล้วเราก็คอยฝึกคอยทําคอยปฏิบัติแต่เครื่องมือเรามีอยู่เครื่องมือในการที่เราจะฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นเนี่ยก็หลายอย่าง สิ่งที่ข้าพเจ้าตัวเองใช้เองอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องของลมหายใจอนาปันสติแล้วก็ให้สังเกตลมหายใจขี่สังเกตลมหายใจคืออย่างน้อยจิตของเราเนี่ยมันมีที่ตั้งอยู่และมีที่ตั้งเนี่ยหมายความว่ามีที่เกาะในเวลาที่จิตมันจะไหลบ้าไปคิดเรื่องอื่นแต่มันก็ยังมีที่เกาะแต่ที่เกาะในการที่จะไม่ไหลตามไปในที่เกาะที่จับที่มั่นตรงนี้ก็คือลมหายใจในศัพท์ที่เขาใช้ก็คือว่าเป็นสรรนะ แต่สนนน้านหมายถึงการเป็นที่พึ่งในการที่เราจะเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งการที่เราจะเอาสิ่งนี้เป็นที่เกาะการที่เราจะเอาสิ่งนี้เป็นที่จับฉ่วยเอาในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบความคิดบ้างความรู้สึกทางกายวาชาใจดังนั้นในการที่เราจะควบคุมจิตของเราแต่ซึ่งสติตรงนี้สามารถที่จะนําไปปฏิบัติแอพพลายใช้ในเรื่องต่างๆของชีวิตของเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน เรียนหนังสือในห้องเรียนหรือเรียนพิเศษต่างๆดังนั้นหรือว่าเรื่องของการทํางานนะการทํางานถ้าเรามีาสมาธิมีใจจดจ่ออยู่ในที่ทํางานของเราแลนะมีสมาธิมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องการงานของเราเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทํางานมันก็จะดีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหวังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะมีสิ่งที่ใหญ่กว่าเนื้อกว่าดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าผนะลสองอย่างที่เรา เห็นได้ในปัจจุบันนะของการที่เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นได้เนี่ย เ, เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการที่จะไปนิพพานเนี่ยทำนิพพานให้แจง้งกันได้เปนเรื่องของการฝึกการทําการปฏิบัติเริ่มจากสติทำฝังเริ่มจากสติคอยตรวจสอบตัวเองว่าฉันมีข้อเสียตรงไหนอ่าจดเอาไว้ก่อนเนีย่ยมันไม่ดีตรงนี้อ่าดูอีกอฉันมีดีตรงไหน เราก็จดเอาไว้ดูเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรแต่พยายามที่จะดูว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่ดี เ, เราก็ละเสียอสิ่งนี้ดีเราก็เริ่มทําให้มันมากขึ้นแต่เราใคร้ควนพิจารณาดูตรงนี้เราสามารถที่จะทำธรรมะที่อยู่ในหัวส ม, มองที่เราเคยอ่านมาดูม า, ร, มารูมารีมาพิจารณามาแล้วจําได้เอาเข้าสู่ใจ ใ, ให้เกิดเป็นปัญญาเปลี่ยนจากความรู้ให้เป็นปัญญาโดยการใช้สติ เปล่นจากความรู้ให้เป็นปัญญาโดยการที่พยายามทำการฝึกแตะเป็นทักษะเต็หวังแต่ซึ่งใครๆก็สามารถฝึกได้เตามังตัวอย่างคนที่กักขระแมีใจบาปหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดบากใจมั่นในการฆ่าตีอย่างเช่นองคุลิมานแต่เขาก็ยังกลับใจได้ด้วยการฝึกสติแล้วเราเคยเห็นนักโทษหลายค น, นออกจากคุกตั้งหน้าตั้งตาทาใหม่หรือว่าในบางทีในคุกเขามีโอกาสสอนในการปฏิัติธรรม รู้หลักในการไปฏิบัติธรรมฝึกสติได้แล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมอันนี้ก็มีก็เห็นอยู่แต่ประเด็นเรื่องของประเด็นการที่เราจะมาทํทาธรรมะให้เกิดขึ้นเป็นความรู้ยิ่งแต่ซึ่งความรู้ยิ่งนี้คือหมายถึงปัญญานไม่ใช่ความรู้ธรรมดาแต่รู้อันยิ่งยิ่งเข้าไปไหนยิ่งก็ไปในจิตทะลุลงไปในจิตให้จิตมันรู้ว่ะไ อ, อยที่ยิ่งตรงนี้มันยิ่งยวดจริงๆนธรรมะที่เข้าสู่ใจเรื่งฝั่ง เป็นสิ่งที่ทำให้ใจนั้นมีความสบายและเป็นสิ่งที่ทำให้ใจนั้นมีความสุขไม่ใช่เฉพาะใจของเราเองใจของคนรอบๆข้าก็จะได้รับผลกระทบละของความสุขที่ใจของเรามีความสุขตรงนี้ได้แน่นอนซึ่งในรูปแบบของรายการแบบใหม่นี้เรื่องของธรรมะภาพปฏิบัติต่างๆจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็าตามหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่นอกรูปแบบแก็จะนามาพูดกันในบัรจันทร ครับชาพระมาห์ไพบูรณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหลโศกจะมาพบกับท่านบูฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้แหะในวันพรุ่งนี้ก็จะนําประสูุเรื่องของเรื่องของบุคคลที่รับรู้รับฟังธรรมะอยู่แต่ว่ายังอยู่แค่สมองและที่จะมีความแตกต่างกันกับบุคคลที่รับรู้รับฟังธรรมะแล้วเอาเข้าสู่ใจได้และท่านบูฟังมีคําถามใดๆแล้วก็ไปที่ว็บไซเปียวธรรมะดอตคอม p u r e d h a mma. com เริยนผ่าน